นามุตตะจาตะโตวัตุอระหาโตตัมมะตัมปุทนมตะวัตุอระหโตัมมัมุทนมตะวตระหโตัมมัมุทะังัมมังังังนมัาิ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 กอนหนว่าเป็นบุญตัวลนก็พอเราทันทั้งหลายมาคราวนี้คงจ ะ, จะแสดงทาเล็กๆน้อยๆเพราะว่าปีนี้ลมมันจะหมดแล้วมันน้อยเสียงมันก็น้อยอให้ปกันเข้าใจ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 ไอ้พึ่งสังก้อนมันก็เสื่อยไปเสื่อมไปหลายนาทีหลายชั่วโมงก้อนที่พึ่งมัน็หมดนี่ต่วะขยะยไว้ ย, ยังไอ้ความสิ้นความเสื่อมเป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาได้เกินทุกทุกคน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 นี่พร้อมแล้วคือข้อปฏิบัติพร้อมแล้วนี่คือเหตุมั น, นีไม่บกท่องสักนิดหนึ่งกายก็เอามาจิตใจก็เอามาวาจาก็เอามาวิจะ ย, ย่นนน้อยไปก็นั่นเองกายก็เอามากับจิตเท่านีนะ้สองอันเท่า น, านี้พอแล้ว รือใครเอาไว้บ้านมัง่งเอามาแล้วนะเออนี่คือข้อปฏิบัติย่อที่สุดแล้วเอามาแล้วทุกอย่างคือข้อปฏิบัติของเรานะั่นเริ่มแล้ว <c oughs> วันนี้ก็ขอโอกาสเลกหน่อยหนึ่งว่าญาติโยมวันนี้คงจะไปศาสนาจารย์หลายแห่งไหม คงจะเห็นสถานที่ต่างๆสี่คนอาคมนำไปไปจบลวงที่ถ้มแสงแทชเห็นสาลาหลังใหญ่ั้ยเออสาลาหลังนั่นอ่ะอัตมาถ้าไม่สบายแล้วก็ขึ้นไปอาศัยไปพักผ่อน ชาเขนเตสลาหลังนั่นเนี่ยค่ายนึกมันนึกถึงชาวตะวันตกเย็นมันสบายกลางคืนมายุงก็ไม่เคยมีสักนิดหนึ่งเลยอยู่อย่างนั้นเตสลาหลังนี้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นทำความเพียรอยู่ตรงนั้นไม่ง่วงไม่ง่วงนอนอยู่ใครใครค่ายเด็กจิตของเราจะเหมือนเด็กมันมีอะไรเล่นเขามันอยู่อย่างนั้นแหละอ่ะ มันสบายตลอดคืนเลยเป็นสสานที่ที่สมควรมากที่จะปฏิบัติตรงนั้นใครเป็นทุกข์ทางใจก็ไปถูกอากาศตรงนั้นก็ค่อยสบายสงบระงรับอันนี้โยมบางบางท่านก็คงจะไม่เคยไปวันนี้ก็ได้ไปแล้วนอกนั้นมาก็เป็นสาขาใหญ่ย่อย สัขาวัดต้องประพงศ์เน่ยตามถนนน่ยมันมีสักขาวประพงศ์หมดทั้งนั้นแหละย่อยย่อยอย่างโยมจะไปเห็นกันนั่นอือทุกแห่งก็คงเข้าอกเข้าใจกันอืดังนั้นก็เห็นอใจญาติโยมทั้งหลายเหมือนกันอืเดินทางมาสถานที่อย่างนี้สถานที่ที่ไม่เคยไป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 ออฉะนั้นท่านจึงให้อบรมจิตจิตนี่เป็นของสําคัญมากอืพระพุทธองค์ของเราท่านคําไปคำมาดูไปดูมาแล้วมันอันนี้เองอืจิตนี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากพุทธศาสนานี่มันเกี่ยวเนื่องกับจิตเรื่องจิตเป็นสิ่งที่สาคัญยกตัวอย่าง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 อันนี้คือมันเรื่องของจิตเจตเป็นสิ่งที่สําคัญมากทุกจุดอพระพุทธองค์เราท่านสอนว่านิรุติภาษาแตกฐานในภาษาท่านเรียกว่านิรุติภาษามีคำมันหนึ่งเที่ยวแตกฐานในภาษาเรียกว่านิรุติภาษา แสกฐานทุกอย่างในภาษานทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่คนไม่รู้จักแตกฐานอะไรอย่างไรไหมจะงัดแงะให้ดูพอพอได้พิจารณาภาษานี้ไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเราทั้งหลายการเห็นมาภาษานี่ต้องกะเดียนให้คำพูด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 พุทธศา ส, สนาเนี่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจจริงๆพุทธศาสนานี้มันให้ความรู้สึกของคนใสค่ายกับน้ำชามันร้อนๆต้มน้ำชาร้อนๆประใจไหมเอาใส่แก้วออมาเอาคนกินามือไปจุ่มดูที่มันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนเนีนะ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 ภาษาจีนก็พูดไปอย่างกระแต่พูดในร้อนนั่นเองภาษาไทยก็เป็นร้อนภาษาอังกฤษก็เป็นอย่างหนึง่งแต่ร้อนนั่นแหละเขาจะเรียกว่ามันฮอดก็ร้อนนั่นเองเนี่ยเราเรียกว่ามันร้อนมันก็ฮอด น, นั่นเองเนี่ยเห็นไหมมันคำคำเดียวกันอย่างนี้นี่คือเรียกว่าธรรมะนะที่เราพอไปถึงแล้วนะมันต้องรู้จัก เหมือนกันกับมือราจุ่มน้าร้อนใครจะไม่รู้ว่าร้อนทุกภาษามันต้องรู้ว่าร้อนทั้งนั้นเนี่ยแต่ภาษาคําพูดที่ว่าร้อนน่ยมันต่างกันเท่านั้นเนี่ยเออเท่านั้นธรรมะนี่ก็มัอนกันถ้าใครเข้าถึงธรรมะเข้าไปถึงใจแล้วรู้เรื่องมันก็รู้เรื่องการสงบสบายนี่อย่างนี้ก็รู้ภาษากันแล้วนะ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 ดังนั้นพระพุทธองค์ของเราท่านจังสอนว่าไอ้พวกเราเป็นญาติกันมันเป็นญาติกันไม่ห่างกันมันเป็นญาติกั น, ก น, น, น, กนอะไรมันมเหมือนๆกันถึงนั้นฉะนั้นถ้าอบรมจิตใจเข้าถึงธรรมะแล้วพวกเราน่จะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องพยาบาทกันก็มันเป็นคนคนเดียวกันแล้ว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 อันนี้คือธรรมะอย่าส่งไปข้างนอกให้ส่งธรรมะข้งในฟังธรรมส่งธรรมะข้งในอย่าส่งออกไปข้างนอกทุกอย่างต้องรวมธรรมาให้รู้จักเห็นคนทาชั่วตรงไหนก็น้องเข้ามาดูคนทําดีตรงไหนก็น้องเข้ามาดูทุกอย่างให้มันเห็นเฉพาะจิต ให้ปัญญามันเกิดในจิตให้จิตเป็นผู้มีปัญญานั่นแดีวจิตที่อบรมดีแล้วกายก็เท่ากระบาเราได้อบรมแล้ว อ, อยายตนะทั้งหลายก็เดียอบรมแล้วเมื่อจิตเราเป็นไปแล้วอันนี้เป็นของไกลๆดังนั้นขออย่าจมทั้งหลายตรงเข้าใจไม่มากเข้าใจในเรื่องตัวของเราเท่านี้แหละ ไม่ใช่อื่นไกลฉะนั้นวันนี้ตั้งใจจะพานําสมาธิอาจารยจะเป็นผู้สิบ พ, พูดพูดเรื่องสมาธิไปญาติโยมทั้งหลายจะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งทับเกียร ก, ก็ได้นะดังนั้นจึงขอความสงบทุกๆคนให้สงบนะนะให้สงบนะคนจะนั่งก็นั่งให้สงบคนจะยืนยืนก็ขอความสงบ คนที่จะนอนอยู่ข อ, ขอความสงบจริยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่มันทำความสง บ, บได้ทุกอย่างนะเอาตั้งใจนั่งขัดสมาธิขึ้นขาขวขาขาซ้ายขึ้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เอ อ, อเอาให้มันตรงตรงรูพระพุทธรูป ดูพระโพธรูปท่านนั่งยังไงไหมท่านแห น, นหน้าขึ้นหรือเปล่าท่านกะ้มลงหรือเปล่าะลักษณะพอดีนะกายกายให้มันพอดีนะเพราะเวลานี้เดี๋ยวนี้เราจะทําให้มันพอดีทํากายให้มันพอดีทําใจให้มันพอดีกายใจไม่พอดีแล้วมันก็ไม่สงบอืม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 กายอยู่ตรงไหนอะไรมันเป็นกายอะไรเป็นจิตเป็นกายหรือไหมกายจิต <c ười> ดูใครที่เขานำนานานเรานั่งรถมานเห็ น, นมะมรู้กันหรือเปล่าหรือมาเจาตัวเราจ่ะใครนำนาเราขึ้นรถมาถึงวัดต้องประพง์รู้ไหมือมาเอง นั่นใช่ไหมนนั่นแหละเออเอ า, อางี้จะดีกว่านะเอาที่ว่าไอ้ใครที่เรียกว่าจิต <c oughs> ถ้าถามประจิตมันก็ไม่มีเหมือนกันนะเออจิตนี้มันก็ไม่มีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจิตนี้คืออะไรตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะากายก็คือก้อนนี้เราพอเห็นได้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 จิตนี้มันรู้เป็นการแต่ว่ามันรู้ไม่ถึงมันรู้ไม่ถึงฉะนั้นจันจังไงภาวนาพุทโธพุธโธนะเอาพระพุท ธ, ธเจ้าเข้ามาให้มันอบรมอันนี้ให้มันรู้แจ้งแห่งเกิดปัญญาตัวรู้ตัวนี้สำคัญหนายตัวรู้ตัวนี้แหละมาอบรมรู้ตัวนี้คือรู้จิต มาอบรมกิตของเราทิกดูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตามดูจิตของตนใครตามดูจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากวัวงของมนันเอาใครตามดูใครไหมให้เข้าใจอย่างนั้นเจิตมีแล้วกายมีแล้วนั่งกำหนดลมเห็นลมไหม เห็นลมไ้มปรากฏลมไหมลมที่ในจมูกเรานี่เห็นไหมรู้สึกดูลมลมมันเข้าได้ลมมันออกดูท่านให้รูลมเรียกว่าอนาปานสติคือทมสติตามลมนี้ลมเข้าแล้วก็ลมออก นี่คือทําจิตให้มีอารมณ์อันเดียวบังคับลมออกให้รู้จากจะบอกพุทธหรือโทพุทธหรือโทตามลมเข้าลมออกนี้ปัจจุบันนี้เราต้องการแถานี้ไม่ต้องการอะไรอื่นมากไปกว่านี้ต้องการให้พวเราตามดูลมเท่านั้น่ะลมเข้าให้รู้ลมออกก็ให้รู้จาก ไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการไปดูนรกสวรรค์ไม่ต้องการไปดูอะไรทั้งนั้นแหละทำสติตามลมมานด้วจากบารมณ์มันออกและสรมณ์มันเข้าด้วยการมีสติเสมอเท่านี้ไม่ต้องไปดูอะไรอื่นจากนี้เพราะในเวลานี้เรามีหน้าที่การงานที่จะทำท่านี้มันจะคิดว่า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 มันสะดวกแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปบีบมันเลยมันอยากกวห้มันยาวไปก่อนมันยาวคอยมันยาวไปก่อนมันสั้นให้มันสั้นไปก่อนอย่าไปบังคับมันเลยเราทำตามเรื่องของมันทํานัดดูเรื่องของมันเปล่ปล่อยตามรวมรู้ถนั้นมันจะออกยาวเข้าสั้นอะไรก็สั่งมันเถอะแต่เรามีสติค่อยๆตามใหมันรู้จักเนี่ย เมื่อเราทำเช่นนี้มันจะวางทางนอกมันจะดูลมอย่างเดียวลมนี่ไม่ต้องสงสัยอย่างอื่นนยต้องทำอย่างนี้ตลอดไปดูลมนี่แหละก่อนดูลมนี้อันนี้เป็นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นไม่ต้องอยากรู้อันนี้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 เมื่อจิตมันสงบแล้วไปค่อยสงบแล้วนะจิตใจไม่อยากจะตามลมมันอยากไม่อยากจะตามลมไม่อยากจะนึกแบบพุทโธพุทโธไม่อยากจะนึกนี่เพราะอะไรอารมณ์ที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธนี้เมื่อจิตเราละเอียดแล้วเดีวมันอยาก คนทํางานละเอียดแล้วอยา้ทํางานหยาบมันไม่อยากจะทําอย่างดูลมเข้าลมออกอย่างนี้มันก็เป็นของหยาบในต่างตามลมมิฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเอาสติคือความรู้สึกวางไว้ที่จบูกนี่รู้่ารมมันเข้าออกตอนนั้นเนี่ยนี่ทำมาละเอียดนั่งนั่งอยู่แหงเยอะแค่นั้น แค่รู้จักรลมมันเข้าออกมันสั้นหรือยาวไม่กาหนดมันรู้จักรลมมันเข้ามันออกเท่านั้น น, นี่คือความรู้สึกรมล้วก็เห็นดูลมก็เห็นผู้รู้สึกคือจิตดูผู้รู้สึกก็เห็นสติรู้สติก็เห็นลมดูลมก็เห็นสติรู้สติก็เห็นจิต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 มันจะฉายแสงยังไงไปชั่งมันเถอะก็ดูแล้วก็หยุดไม่ต้องยิ่งไปตามมันทำความสงบอยู่ไปจนกระทั่งมีลมอยู่อย่างนี้ดูต่อไปจมานมาันละเอียที่สุดจนว่าลมไม่มีอย่างนี้ก็เป็นนะลมไม่มีบางคนเห็นลมไม่มีคือึกจะตายอะออกถอยกลับนี่เนี่ย ไม่รู้จะทำอะไรไหมลมไม่มีถ้าลมไม่มีก็มีความรู้อยู่ไอความรู้มันจะไปตรงไหนแต่ความรู้มันมีอยู่มันดูมันจริงรู้เฉก ว, ว่ารู้ว่าลมไม่มีอย่างนี้ก็เอาอารมณ์ที่ว่ามันไม่มีนั่นเป็นอารมณ์ต่อไปอยู่ไม่จบอย่างนี้นี่ความสงบแล้วค่อยๆไปจิตมุขตูตา กายมุตูตามันควรแก่การงานมันจะเป็นเครื่องสำคัญกันไปเองของมันอย่างนี้เรียกว่าความสงบความสงบดูมันไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่าการทำจิตให้สงบเอาเอาตั้งใจและทำทำแะละพอดีละ ว, วันนี้ฝนตกพอดีแหละเย็น ทำสมาธิเลยเอ๋อพักผ่อนในชะ่ไ <c> ห <oughs> าพักผ่อนตามอัตยาศัยคงคจะง่วงแลวมั้งเนาะคงจะง่วงแล้วมังงงวงวม้งมันคันเนื้อคันตัวคือเรื่ น, เนีเนาะเอาพักผ่อนตามอัตยาศัยก็ได้